การกระทำอะไรต่างๆมันเป็นการกระทำที่เราต้องหัดกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมากับเราเช่นการว่ายน้ำการขี่จักรยานการขับรถยนต์ถ้าไม่หัดเราก็จะ ทำไม่ได้แต่ถ้าหัดเราก็จะทำได้อยู่ที่การฝึกหัดเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมเช่นการจเจริญสติการนั่งสมาธิการคิดไปในทางปัญญาก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราหัดทำเดี๋ยวเราก็จะทำได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามกันมันไม่ได้เป็นของทีเ่เกิดขึ้นมาตามกำเนิดของที่เกิดตามกำเนิดก็คือเวลาการหายใจเนี่ยพอเกิดมาปั๊บก็หายใจไม่ต้องหัดรับประทานอาหารขับถ่าย ของพวกนี้ไม่ต้องหัดกันทุกคนทาทาได้กันทุกคนเพราะมันเป็นของที่มันมากับการเกิดแต่ของการกระทาอย่างอื่นมันไม่ได้มากับการเกิดก็ต้องมากระทมามาหัดกันแต่การกระทาบางอย่างก็ ติดมากับเราติดมากับจิตใจที่บางคนก็ไม่ต้องหัดก็ทำได้ถ้าเคยหัดทำมาแล้วในอดีตชาติพอมาเกิดก็จะทำได้เช่นการทำบุญทำทานการรักษาศีล การไม่ทำบาปไม่เสบอาบายามุกหรือการเสบอาบายามุกหรือการทำบาปอันนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวมากับเราถ้าชาติก่อนๆเราเคยทำบุญมาก่อนเราก็จะมาทำบุญกันต่อ การทำบุญจะไม่ยากแต่ถ้าชาติก่อนๆไม่เคยทำบุญมาก่อนพอจะให้มาทำบุญในชาตินี้ก็จะรู้สึกว่ายากแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ เพราะว่าเรามีจิตใจเหมือนกันจิตใจที่มีสมรรถภาพมีความสามารถที่จะทำอะไรต่างๆได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเรายินดีที่จะฝึกหัดหรือไม่ทุกคนจิตใจของ ท, ทุกคนนี่ เป็นเหมือนรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงานโรงงานอันเดียวกันแต่คนที่จะเอาไปขับเอาไปใช้งานนี่อาจจะเอาไปใช้ต่างกันบางคนก็เอาไปทำเป็นรถแข่งบางคนก็เอาไปทำรถไปทำงานไปทำอะไรตามปกติ ก็เอาไปใช้ได้ถ้าคนใช้รถต้องการจะเอาไปใช้สมรรถภาพของรถถ้าตอบสนองได้ก็สามารถทำได้ถ้าคนอเดินขับรถคันเดียวกันสามารถเอาไปแข่งได้เราก็สามารถเอารถคันเดียวกันนี้ไปแข่งได้ <c oughs> ดังนั้นจิตใจของพวกเราทุกคนนี่ เป็นเหมือนรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานนันเดียวกันแต่พอเอาออกมาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพต่างกันไปจิตใจของบางคนนี่ก็ไปพัฒนาไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ได้ บางคนก็ไปเป็นมหาโจรเป็นคนที่เลว้ายได้อันนี้อยู่ที่การฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจของพวกเราทุกคนนี้สามารถฝึกฝนอบรมให้เป็นจิตใจที่ดีที่ประเสริฐเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้า จิตใจของพระอาหันตสาวกได้หรือถ้าจะไปฝึกฝนให้กายเป็นมหาโจรก็รสามารถทำได้ อ, อยู่ที่การฝึกฝนอบรมดังนั้นพวกเราทุกคนที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่จิตใจของพวกเราทุกคน สามารถที่จะฝึกฝนอบรมให้เป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนของพระอาลัยตัสาวกได้ถ้าเรามีความเชื่อเชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะอบรมจะพัฒนาจิตใจของพวกเราให้จเจริญขึ้นไปสู่ ระดับของพระอริยบุคคลได้เพราะว่าเราเห็นตัวอย่างของคนที่เหมือนเราคือปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเหล่านี้ในสมัยพุทธกาลตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจะมีปุถุชนที่ไปรับการฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมเอาคำสั่งคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติมาอบรมจิตใจมาพัฒนาจิตใจมาเปลี่ยนแปลงจิตใจจากอุตุชนให้กลายเป็นพระอาริยบุคคลขึ้นมาได้ดัง <Yeah. S 1> นั้นเรามีตัวอย่างที่พิสูจน์ที่รับประกัน ว่าจิตใจของปุถุชนทุกคนสามารถพัฒนาสามารถปรับปรุงให้เป็นพระอริยบุคคลได้นี่คือความเชื่อที่เราต้องมีต้องมีความเชื่อแบบมั่นใจเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนเมื่อก่อนเหมือนตอนที่เรายังขับรถไม่ได้ เห็นคนอื่นเขาขับรถได้เราก็มีความเชื่อว่าเราต้องขับรถได้สมัยก่อนนี่ผู้หญิงไม่มีความเชื่อผู้หญิงขับรถไม่ได้นะสมัยที่เราเป็นเด็กนี่สังเกตจะไม่เห็นผู้หญิงขับรถกันเลยเพราะสมัยนั้นผู้หญิงเขาไม่เชื่อว่าเขาจะขับรถได้และอาจจะเป็นเพราะสภาพของสังคม ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ขับรถกันผู้หญิงก็เลยไม่ได้ขับไม่ได้เรียนกันแต่ต่อมาเมื่อสังคมได้เปลี่ยนไปเมื่อมีการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนที่คล่องแค่วสะดวกรวดเร็วง่ายดายมีรถยนต์ที่ขับได้อย่างง่ายดาย ผู้หญิงที่ไม่เคยคิดว่าจะขับรถได้ก็สามารถมาขับรถได้กันนี่คือสิ่งที่พูดเราทุกคนสามารถทำอะไรได้ถ้าคนอื่นเขาทำได้ถ้าเรามีความต้องการอย่างแน่วแน่ต้องสามารถทำได้ยกเว้นกรณีที่ เกิดอาการาพิกลพิการทางร่างกายอันนี้ก็แสดงว่าไม่เหมือนคนทั่วไปแล้วเช่นคนแขนขาดขาขาดอะไรทํานองนี้อาจจะไม่สามารถขับรถยนต์ได้แต่บางทีเขาก็ปรับคอยเห็นคนที่เป็นอมัอมาพาตต้องนั่งรถเข็นแต่เขาสามารถ ปรับรถให้เขาขับได้โดยที่ไม่ต้องใช้เท้าขับก็มีคันเร่งอยู่ที่มือเบรกอยู่ที่มือพวงมาลัยอยู่ที่มือก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำกันได้อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่พี่กนพี่การ แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยโดยเฉพาะการปฏิบัติทางธรรมนี้ความสมรรถภาพทางร่างกายนี้ก็ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไหร่เพราะการพัฒนาจิตใจนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย การพัฒนาจิตใจนี้เกี่ยวกับการเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเรื่องของการเปลี่ยนความคิดงั้นบางทีร่างกายพิกลพิการก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจได้เช่นเวลาเราต้องการทําใจให้สงบฝึกสติ ร่างกายจะพิกลพิการก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคเพราะการฝึกสติการฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้สงบนี้ฝึกกันที่จิตใจไม่ได้ใช้ร่างกายพวกเราทุกคนมีจิตใจเหมือนกันหมดร่างกายอาจจะแตกต่างกันไป ห อ, อมบ้างอ้วนบ้างสูงบ้างเตี้ยบ้างฐ า, านะการเงินการทองรวยบ้างไม่รวยบ้างฐานะของสังคมอ า, อาจจะสูงบ้างอาจจะต่ําบ้างาแต่พระพุทธศาสนานี้รับได้หมดเลยต่างจากศาสนาฮินดูนี่คือยุคปฏิวัติสมัยพระพุทธเจ้า ยก ข, ของฮิน ด, ดูนี่เขาแบ่งคนเป็นวันนะเป็นชั้นกันคนที่จะศึกษาเรื่องเรียนทางวิชาศาสนานี้ต้องเป็นอยู่ในระดับพราหมณ์เป็นต้นถ้าไปเป็นอยู่ระดับต่ําเป็นชันทานเป็นอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียนวิชาทางศาสนานได้ เขาแบ่งเพราะเขาเห็นว่าคนชั้นต่ำไม่มีภูมิไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธความเห็นนี้ทรงเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนจนเป็นคนรวยเป็นคนต่ำเป็นคนสูงสามารถที่จะ พัฒนาฝึกฝนอบรมจิตใจได้พระพุทธศาสนาจึงรับคนทุกเพศทุกวัยคนที่นับถือศาสนาฮินดูก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธกันได้อยากจะมาเป็นพระก็มาบวชเป็นพระได้นี่คือเรื่องของจิตใจของทุกๆคน มีศักยภาพมีความสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นจิตใจที่ประเสริฐเป็นจิตใจของพระอริยบุคคลได้แต่ต้องมีหนึ่งความเชื่อมั่นมีศรัทธาสองต้องมีผู้ที่คอยมาอบรมสั่งสอน ถ้าไม่มีผู้อบรมสั่งสอนก็ยากต่อการที่จะพัฒนาจิตใจของตนได้เหมือนกับถ้าไม่มีใครสั่งสอนให้ขับรถยนต์นี่ก็บางทีดูแล้วก็ขับไม่เป็นอลองผิดลองถูกก็อาจจะใช้เวลานา น, านพอสมควรเรื่องไหวยน้ำก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีคนคอยสอนให้ไหว้น้ำก็อาจจะไหว้ไม่เป็นหรือไม่กล้าไหวยเพราะกลัวจมน้ำตายต้องมีคนสอนถ้ามีคนสอนมีคนรับประกันว่าอาทาตามที่เราสอนนะเรารับรองได้เดี๋ยวคุณทำได้ไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะไหว้น้ำไม่ว่าจะขี่จั ก, กรยาน ไม่ว่าจะปีนเขาปีนเขาก็ต้องหัดปีนเหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆ อ, อยากจะปีนก็ไปปีนเอต้องมีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนวิธีที่จะทำสิ่งต่างๆที่เราทำเองไม่เป็นอาจจะหัดทำเองก็ได้แต่มันจะยากและอาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนกับมีครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอน เพราะการกระทาปีนเช่นปีนเขาถ้าหัดปีนเองถ้าพลาดไปก็อาจจะตกเขาตายได้หัดขับรถเองพลาดไปเดี๋ยวก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุได้ว่ายน้าหัดว่ายเองอาจจะจมน้ำตายก็ได้ถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยสอนคอยบอกวิธีการกระทาต่างๆเหล่านี้ การอบรมการพัฒนาจิตใจของพวกเราทุกคนนี้พวกเราก็มีครูมีอาจารย์กันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราการที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนี้ความหมายที่แท้จริงก็คือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะฝึกฝนอบรมสั่งสอนให้พวกเรา พัฒนาจิตใจจากปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลแต่ความถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงเสียแล้วกลับไปถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่จะมาปกป้องภัยอันตรายต่างๆใช่ไหม ห้อยพระอะไรกลัวตายใช่ไหมกลัวอุบัติเหตุกลัวถูกยิงตายกลัวถูกอะไรต่างๆมีพระไว้ที่บ้านเพื่อกันขโมยขึ้นบ้านกันไฟไหมกันพายุกันภัยต่างๆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยกลายเป็นบริษัทประกันภัยไปรับประกันใครมีบา พระพุทธมีห้อยพระแล้วปลอดภัยใช่ไหมนี่เข้าใจผิดเนี่ยการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก็คือถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนเชื่ออย่างเต็ม เ, เต็มร้อยเปอร์เซนเนชื่ออย่างไม่ลังเลสงสัยถ้าท่านสอนให้กระโดดตึกก็กระโดดตึกเลยเชื่อแบบนั้น่ แล้วถ้าเชื่อแบบนั้นรับรองได้ว่าอะจะได้รับผลอย่างแน่นอนอท่านบอกให้ออกจากเรือนสละเรือนออกบวชเนี่ยถ้าเชื่อก็ออกบวชเลยอสละเรือนสละการคลองเรือนอรับรองได้ว่าจะได้ผลภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองเองออแต่พวกเรากลับไม่ค่อยเชื่อกัน ไม่มั่นใจอ้าวเดี๋ยวนี้คนชาวพุทธเรามักจะพูดว่า mm hmm. โอ้ยชาตินี้ปัจจุบันนี้ปฏิบัติไม่ได้ผลหรอก mm hmm. ไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยมาสั่งมาสอน mm hmm. แต่เราลืมว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่อีกสององค์มีพระธรรมคำสอนที่ได้มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎก ได้มีการสังยายนากันมาอย่างสม่ำเสมอและมีพระอริยสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาการปฏิบัติแล้วาสามารถมาสั่งมาสอนแทนพระพุทธเจ้าได้นี่คือความ ความเห็นผิดของชาวพุทธเราซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากไปเห็นว่าการปฏิบัติให้เป็นพระอริยบุคคลนี่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยไปเสียแล้วสำหรับชาวพุทธเราแล้วก็ไปเห็นว่าการมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เป็นเครื่องป้องกันภัยเป็นเครื่องอานวยคว ความต้องการต่างๆอยากจะได้งานก็ไปขอจากพระพุทธเจ้าจะไปขอจากพระพุทธรูปอยากได้แฟนก็ไปขอพระพุทธรูปหรือไปขอจากพระสงฆ์มันก่อนก็มีญาติโยมท่านหนึ่งหลอกอายุสี่สิบกว่าแล้วยังไม่มีแฟนเลย <c oughs> ถามว่าจะได้แฟนหรือเปล่า <c oughs> จะให้เป็นหมอดูอีกจะให้มารับประกันว่ า, าต้องไดอ้อันนี้เป็นการถือสาระที่ไม่ถูกต้องอาการถือสาระที่ถูกต้องก็คือการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นผู้สอนผู้อบรมให้เราพัฒนาจิตใจ จากปุตุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลให้ไปเป็นพระโสดาบันให้ไปเป็นพระสกิฎาคามีให้ไปเป็นพระอนาคามีกันวัตถุมงคลทั้งหลายนี่ไม่เป็นมงคลแต่อย่างใดเพราะไม่มีในมงคลสามสิบปดในมงคลสามสิบปดไม่มีบอกว่าห้อยพระแล้วเป็นมงคลอย่างยิ่ง ติดตั้งพระพุทธรูปไว้ในบ้านแล้วเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่มีมีแต่ให้คบคนฉลาดอยาคบคนโง่เสวนาจะบาลานังบันติตานันจะเสวนาเอตัมมังกลลมุตตะมังอันนี้แหละเป็นมงคลอย่างยิ่งคบคนฉลาดก็คบใครละ่ะก็คบพระอริยบุคคลทั้งหลายนั่นเอง ท่านเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้ฉลาดยิ่งกว่าพวกที่จบปริญญาเอกอความรู้ทางระดับปริญญาเอกนี่เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอไม่รอดจากอะไรไม่รอดจากความทุกข์ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกกี่ใบได้มากี่ใบก็ตามยังต้องร้องหอบร้องห้ายัยงต้องเศร้าโศกเสียใจ ยังต้องวิตกกังวลหวาดกลัวกับภัยต่างๆแต่คนที่จบทางาศาสนานี่บัณฑิตทางาศาสนานี่เป็นผู้ที่รอดพ้นจากความทุกข์ทุกชนิดไม่มีความทุกข์ชนิดใดที่จะสามารถมาทำให้จิตใจของพระอริยบุคคลหวั่นไหวได้เลยนี่แหละคือบัณฑิตที่แท้จริง บันดิตทางพุทธศาสนามีบุคคลสี่ประเภทด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิฎดาคามีพระอนาคามีพระาอารหั น, นต์ถ้าอยากจะคบใครให้หาคบบุคคลสี่บุคคลนี้นพอคบกับคนสี่คนนี้แล้วจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน จะไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้าได้คบกับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอราหันต์รับรองได้ว่าจะสามารถที่จะยกระดับจิตของตนเองให้ขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลได้ เหมือนกับการศึกษาทางโลกนะครูบาอาจารย์ที่สอนก็จบปริญญากันพอเราเรียนจากครูบาอาจารย์เหล่านี้ไปต่อไปเราก็จบปริญญาได้เหมือนกันอันนี้ทางโลกกับทางธรรมก็เหมือนกันคือครูบาอาจารย์นี้สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ทำให้ลูกศิษย์ลูกหากลายเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์ได้ มีความรู้มีความสามารถเหมือนกับครูบาอาจารย์ได้นี่คือการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งให้ถือเป็นครูเป็นอาจารย์ให้เราศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเข้าถึง สมัยนี้พระพุทธเจ้าทรงจากพวกเราไปแล้วแต่พระองค์ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคาสอนที่เราสอนไว้นี้ที่พวกเธอจดจํากันบันทึกกันไว้นี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปเห็นไหมศาสดาแปลว่าอะไรก็รครูอาจารย์ศาสดาอาจารย์ระจะเป็น ถ้ามีพระธรรมคำสอนเราจะอยู่ไม่ได้อยู่ปราะศะจากศาสดามไม่ได้อยู่ปราะศะจากครูจากอาจารย์จากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวก<ม>ดังนั้นขอให้พวกเรามั่นใจว่าเรายังมีครูมีอาจารย์อยู่เรายังสามารถที่จะศึกษา และอบรมพัฒนาจิตใจของพวกเราให้กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องมาสะสมบรารมีกันเป็นกับเป็นกันเพราะตอนนี้มีครูมีอาจารย์อยู่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่มีพระพุทธธรรมพระสงค์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้ว ทีนี้จะไม่มีใครสามารถอบรมสั่งสอนตนเองให้เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาได้เลยยกเว้นคนเดียวเท่านั้นคือพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเท่านั้นที่จะสามารถที่จะค้นคว้าหาวิธีพัฒนาจิตใจของตนเอง ให้เป็นพระอริยบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้มีคนเดียวเท่านั้น<ม>ซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งด้วยไม่ใช่คนคนนี้จะอยู่ดีๆจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยมนา น, นานสักครั้งหนึ่งเป็นเวลาอันยาวนานมากมากกว่าเอาร้อยล้านเอาล้านคูณล้านปีมาคูณกันเวลา จะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งอตอนนี้เราโชคดีเรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงฆ์สาวกซึ่งอาจจะหายากค่อนข้างยากเพราะมีจำนวนน้อยแต่ก็ไม่สุดวิสัยถ้าเราสนใจ ที่จะค้นคว้าหาจริงๆแล้วสามารถหาได้เพราะท่านไม่ได้ไปหลบอยู่ที่ไหนเยงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านนั้นเองท่านก็อยู่ตามปกติตามวัดวารามต่างๆแต่เราต้องเข้าไปค้นหาดูแลเราก็จะเจ อ, อมเมื่อเราเจอแล้ว เราก็จะสามารถถือท่านเป็นสารณะได้ถือให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ได้<ม>เป็นที่พึ่งของเราในการพัฒนาจิตใจของพวกเรา<ม><ม>ให้เจริญขึ้นมาเป็นพระอริยะบุคคลได้<ม><ม>ดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้พบกับพระพุทธพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์สิ่งแรกเราต้องทําก็คือ ต้องคอยค้นหาให้เจอตอนนี้เราเจอพระธรรมกันแล้วพระธรรมนี้หาง่ายก็ามีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกแต่เข้าใจยากปัญหาของพระธรรมคือเป็นภาษาที่อาจจะโบราณไปหน่อยสำหรับคนยุคปัจจุบันเพราะมีความหมายหลายความหมายด้วยกันในแต่ละคำ และมีราชาศัพท์ที่ไม่ได้ใช้กันทั่วไปอ่านแล้วก็ต้องเปิดเปิดเด็กอ่านภาษาไทยแล้วต้องมาแปลภาษาไทยอีกก่อนที่จะไปแปลภาษาธรรมก็ต้องแปลภาษาไทยก่อนว่าความหมายของคำนี้หมายความว่าอะไรทระเนศหมายความว่าอย่างไรพักกันหมายความว่าอย่างไรสเสวยหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไรต้องไปแปลภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยก่อนเมื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังต้องมาแปลให้เป็นภาษาธรรมอีกให้เข้าใจว่าคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรเช่นขันห้าเนี่ยพอพูดว่าขันห้าก็งงนะขันอะไรขันอาบน้ำหรือเปล่ามีห้าขันด้วยกันมีขันอาบน้าอยู่ห้าขัดด้วยกัน ก็งงแล้วมันพูดถึงอะไรกันขันห้าก็มีกายเวทนาร่างกายรูปเขาไม่เรียกว่าร่างกายเขาเรียกว่ารูปรูปก็ต้องมาแปลความหมายอีกถ้ารูปสมัยนี้ก็หมายถึงรูปที่เราถ่ายด้วยไอโฟนเนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นขันห้าหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะเวทนาก็มีความหมายหลายความหมายเหมือนกัน เวลาเราสมเพศเวทนาใครแสดงว่าเราสงสารเขา <Yeah. S 2> มีความเวทนาสงสารเขาเห็นใครตกทุกข์ได้ยากแล้วก็สมเพศเวทนาอันนี้ก็ไม่ใช่ความหมายของเวทนาน <Yeah. S 2> ความหมายของเวทนาก็คือความรู้สึก <Yeah. S 2> มีอยู่สามอย่างหรือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ <Yeah. S 2> ทั้งทางร่างกายและจิตใจอ yeah. อันนี้หมายถึงเมธนาขันที่สองเนี่ย <Yeah. S 2> ขันที่สามสัญญาอ่ะงงเองไม่ทำสัญญาไว้กับใครหรือเปล่าสัญญานี่เราไปตกลงอะไรไว้กับใครหรือเปล่าสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมาวัด <Yeah. S 2> หรือสัญญาว่าขอยืมเงินแล้วจะคืนให้ภายในระยะเวลาหกเดือนทำสัญญากันเ <Yeah. S 2> ช่าบ้านก็ต้องทำสัญญา <Yeah. S 2> อันนี้ก็ไม่ใช่สัญญาอีก yeah. สัญญาในที่นี้หมายถึงความจําได้หมายรู้เห็นหน้าใครแล้วจําได้โอคนนี้เป็นพ่อเราคนนี้เป็นแม่เราอันนี้เรียกว่าสัญญาความจาได้จําอะไรได้ได้ยินเสียงคนนี้ออรู้ว่าเป็นเสียงใครเนี่ยใครโทรศัพท์มาพอยกหูฟังปั๊บเขาพูดปั๊บอ๋อจาเสียงนี้ได้นี่นี่เรียกว่าสัญญาสัญญานะ เนี่ยต้องมาแปลกันถ้าไปศึกษาจากพระไตรปดฎกเองนี่คงจะเหนื่อยถ้าจะศึกษาจากพระไตรปดฎกถ้าเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปไปเรียนภาษาอังกฤษดีกว่าพระไตไปดฎกภาษาอังกฤษนี้เป็นความหมายเดียวไม่มีหลายความหมายอ่านแล้วเข้าใจเลยเนี่ยเราโชคดีเนี่ยเราได้หนังสือพระไตรปดฎกหนังสือที่กัดมาจากพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษ พออ่านแล้วมันไม่งงอะ่ะมันไม่สงมันรู้เลยเขาเขาแปลตรงตัวเลยแต่ถ้าเรามาอ่านภาษาไทยแล้วเราจะปวดหัวเราจะทําให้ท้อไม่อยากจะเรียนเพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วงงมันมีความหมายว่าอย่างไรรูปก็หมายถึงร่างกายที่มีอาการ32นี้ไม่ได้หมายถึงรูปที่เราถ่ายกัน อันนี้เป็นร่างกายนะเวทนาก็หมายถึงความรู้สึกที่เรารับรู้กันมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกขนะ์ทั้งทางกายและทางใจบานะงทีร่างกายสุขแต่ใจทุกข์ก็ได้บานะงทีใจสุขแต่ร่างกายทุกข์ก็ไดนะ้อันนี้ก็เวทนานะสัญญาก็คือการจาได้หมายรู้นะ สังขารก็งงเอกเนี่ยมาขันที่สี่ก็งงเอกพูดถึงสังขาร น, นี่มันมีหลายความหมายเหมือนกันสังขารที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือร่างกายละสิที่จะงงสังขารกับรูปมันต่างกันตรงไหนละสิใช่เราพูดถึงรูปนี้เราหมายถึงสังขาร่ะเนี่ยแล้วพอเราถึงสังขารเราหมายถึงอะไรนะสังขาร น, นี่ที่นี้ก็หมายถึงความคิดเนี่ย ความคิดต่างๆที่เราคิดกันนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งวันนี้คิดจะปรุงทำกับข้าวเนี่ยก็เป็นความคิดปรุงแต่งอันนี้จะทำกับกับข้าวทำแกงแกงเผ็ดทำแกงจืดทำข้าวผัดทำกว๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยอันนี้เรียกว่าความคิดปรุงแต่งแปลว่าสังขาร ขันที่ห้าก็วิญญาณก็มีหลายความหมายอีกเหมือนกันวิญญาณส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจกันก็คือดวงวิญญาณ <Yeah. S 1> เวลาคนตายไปแล้วใจก็ออกจากร่างกายไปเราก็เปลี่ยนชื่อจิตใจเป็นเป็นดวงวิญญาณไป <Yeah. S 1> แต่วิญญาณในขันห้าก็ไม่ใช่ความหมายอันนี้ yeah. <Yeah. S 1> วิญญาณในขันห้าหมายถึง <Yeah. S 1> การรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยผู้ที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนี่เรียกว่าวิญญาณนี่การศึกษาธรรมะด้วยตนเองจึงยากถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยสอนนี่จะหมดกำลังไม่กล้าเรียนเรียนด้วยตนเองไม่ได้แต่ถ้ารู้จักภาษาอังกฤษไปเรียนภาษาอังกฤษได้เรียนได้ด้วยตนเองอ่านแล้วจะเข้าใจ เพราะว่ามันมีความหมายเดียวความหมายมันแปลอยู่ตรงตัวอยู่นี่คือการเข้าหาพระธรรมคำสอนจึงเป็นสิ่งที่ยากอย่างนั้นก็มีทางเลือกสุดท้ายก็คือการเข้าหาพระอริยสงฆ์หาพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอาหารหัน ถ้าไปหาท่านไปพบท่านก็ต้องเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันถ้าไปเจอพระอริยะที่เป็นชาวต่างประเทศก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกหรือชาวต่างประเทศมหาพระอริยะที่พูดภาษาไทยก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกก็ต้องต้องคุยภาษาเดียวกันถึงจะสามารถคุยกันรู้เรื่องถึงจะเข้าใจกันได้ การเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงค่อนข้างจะมีอุปสรรคพอสมควรถ้าไม่ตะเกียกตะกายไม่ขวนขวายจริงๆนี่จะเข้าไม่ถึงกันชาวพุทธส่วนใหญ่เลยเข้าไม่ถึงพระธรรมคำสอนกันเข้าถึงแต่พิธีกรรมพิธีกรรมนี้ ทำได้ทุกิกันทุกคนไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลกล่าวคำถวายสังฆทานการกระทำอะไรแบบนี้ยังเข้าไม่ถึงตัวตัวธรรมะโดยตรงเพราะยังไม่เข้าถึงคำสั่งคำสอนถึงแม้ว่าบทที่ให้สวดเป็นคำสั่งคำสอนก็ตามแต่ก็ไปสวดภาษาที่เราไม่เข้าใจกัน ไปสวดภาษาบาลีกันทั้งๆที่เดี๋ยวนี้มีคำแปลเป็นภาษาไทยให้สวด <Summer. S 2> ก็ไม่สวดกัน <Yeah. S 2> ถ้าสวดคำแปลก็อาจจะเข้าใจเ <Yeah. S 2> พราะเท่ากับการอ่านหนังสือพะไตไปิฎกนี่เอง <Yeah. S 2> เช่นเวลาสวดพระสูตรธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเอวามสุตต <Yeah. S 2> hey ัง <Yeah. S 2> อันนี้เป็นภาษาบาลีเริ่มต้นนะ yeah. การครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้แก่ชาวนั้นชาวนี้อถ้าเราอ่านคําแปลก็จะเข้าใจทันทีแต่ถ้าเราไปอ่านคําบาลีเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเราสวดอะไรกันอ่านอะไรกันจําได้สวดได้หลับตาสวดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายอันนี้ต้องไปอ่านคําแปลถึงจะเข้าใจความหมาย สมัยที่เราเรียนเราโชคดีได้หนังสือเป็นภาษาอังกฤษได้พระสูตรสติปัฏฐานสูตรพออ่าะเลยเข้าใจวิธีการปฏิบัติโดยไม่ต้องมีครูสอนเลยมันตรงไปตรงมาอยากจะนั่งสมาธิก็ไปหาโคนต้นไม้ที่ไหนสงบเงียบนั่งขัดสมาดตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านี้เอง สอนง่ายๆสอนตรงไปตรงมาให้ดูลมเฉยๆลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ละเอียดไม่ต้องไปเปลี่ยนลมไม่ต้องไปบังคับลมให้สั้นหรือยาวให้หยาบหรือละเอียดไม่ต้องตามลมเข้าไปในปอดไม่ต้องตามลมออกมาให้ดูอยู่ที่จุดเดียว ให้สักแต่ว่ารู้มันง่ายนะธรรมะถ้าถ้าคนเอาคำสอนมาแปลให้คนอ่านเข้าใจนี้มันไม่ยากเลยพอลองไปทำมันก็ได้ผลเลยเชื่อไหมลองไปนั่งดูแล้วก็ดูลมอย่างเดียวอย่าให้ใจไปทำอย่างอื่นปัญหาของคนปฏิบัติคือไม่ชอบอยู่กับลมเท่านั้นเอง พอดูลมได้สองทีไปนู่นแล้วไปบ้านแล้วไปคิดถึงแฟนนะคิดถึงลูกนะคิดถึงงานคิดถึงอะไรร้อยแ0ดประการแต่เรื่องเดียวที่ให้อยู่กับไม่ยอมอยู่ก็คือให้อยู่กับลมเ mm hmm. นี่ยถ้าลองสามารถปฏิบัติตามคําสอนได้เนี่ยไม่ต้องมีครูอาจารย์ก็ได้หนังสือพระตไตรปิฎกถ้าเราเข้าใจความหมายอ่านแล้วเข้าใจ ถูกต้องตามตามความความหมายเดิมนะก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยนะสมัยที่เราศึกษาและปฏิบัติเนี่ยเราศึกษาของเราคนเดียวเนะี่ยปฏิบัติของเราคนเดียวอยู่ปีหนึ่งเนะี่ยไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปหาพระที่ไหนนะเราถือหนังสือนี่ติดตัวเราไปเรื่อยๆมีเวลาว่างเราก็เปิดอ่านดูมีเวลาว่า ง, เร า, เ, า เ, าางเราก็นั่งดูนะ สอให้พิจารณาร่างกายก็พิจารณาร่างกายอดูอาการ32ของร่างกายก็ดูไปร่างกายเรามันมีแค่ผมขนเลบฟันหนังเลยหรือมันมีมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกมีมากกว่านั้นไม่ใช่มีเพียงห้าอาการเท่านั้นที่เราเห็นกันภายใต้ผิวหนังมีของดีๆหลบซ่อนอยู่เยอะอที่เราไม่เห็นกันอ ภายใต้ผิวหนังก็มีเนื้อใช่ไหมมีเอ็นมีกระดูกมีโครงกระดูกมีกระโหลกศีรษะนี่กระดูกทั้งนั้นภายในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกอีกแลนอกนั้นก็มีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองแล้วยังมีพวกที่เป็นน้ำอีกมีเลือดน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเงือ น้ำมันขน้นน้ำดีน้ำเสลน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยเนี่ยท่านสอนให้เราศึกษาทำความเข้าใจให้รู้จักว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ให้มาค้นหาว่าที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเรานี่อยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ผมหรือถ้าเราตัดผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่า เราอยู่ที่เล็บเหรือตัดเล็บไปแล้วหายไปหรือเปล่าเราอยู่ที่ฟันหรือหายไปหรือเปล่าเวลาฟันถอนฟันไปแล้วไม่หายเนะี่ยเราก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์ถ้าเราสรุปแล้วก็แปลว่าร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยจะได้รู้ว่าโอยเราเป็นอีกส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนที่คิดนี่เอง เราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราอยู่ตรงนี้มากกว่าเรามากับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารเป็นตัวคิดคิดว่าเป็นเราขึ้นมาก็เป็นความคิดเท่านั้นเองคิดว่าร่างกายเป็นเราก็คือสังขารแล้วก็ไปจำว่ามันเป็นเราก็เรียกว่าสัญญาทุกครั้งที่มองหน้าในกระจกเห็นร่างกายอันนี้ก็ว่าเป็นเราเป็นของเรา พราเราไปจําว่ามันเป็นของเราแล้วเวลาร่างกายเจ็บเราก็เลยไปว่าเราเจ็บไปกับมันเวลาร่างกายสุขเราก็ว่าสุขเราก็สุขไปกับมันอันนี้เป็นการศึกษาที่จะทําให้เรารู้ว่าเรากําลังหลงหรือไม่หลงเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่เหมือนวันก่อนพูดว่าความหลงทําให้เราเห็นแมวกับหมานี่เหมือนกัน ถ้าแมวกับลูกหมานี่มองไกลๆนี่ดูไม่ออกนะมันขนาดเท่ากันเนะี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงมันเห่ามันร้องนี่จะไม่รู้ว่าเป็นแมวหรือเป็นหมามองไกลๆจะไม่รู้ต้องเข้าไปใกลๆ้ๆแล้วต้องทำให้มันร้องดูถึงจะรู้ตัวไหนเป็นแมวตัวไหนเป็นหมาอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายที่เราว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยเพราะเราไปมองมันไกลๆเรามองแบบสรุปมองแบบเหมา มองแบบไม่มีหลักฐานพิสูจน์ไม่มีความความจริงมายืนยันว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าเราศึกษาแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีเป็นตัวเราเลยไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่มาจากเราแล้วเวลามันไปมันก็ไม่ได้ไปกับเรามันมาจากดินน้ำลมไฟที่เรากินเข้ามานี่เป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นเนี่ยลมก็หายใจเข้ามา น้ำก็ดื่มเข้ามาดินก็ข้าวผักทั้งหลายก็กินเข้าไปในร่างกายไฟก็เป็นความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็จากการการทำงานของร่างกายของอาหารเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็ผลิตความร้อนขึ้นมาเป็นเหมือนเชื้อเพลิงมันไม่มีตัวเรามันไม่มีตัวตนมันทำมาจากดินน้ำลมไฟ เมือนขนมเคก้กนี่มันทำมาจากอะไรทำมาจากแป้งทำมาจากไข่ทำมาจากน้ำตาลทำมาจากน้ำนมแล้วเราก็ไปเรียกก็เป็นขนมเคก้กเป็นคุกกี้เป็นนั่นเป็นนี่มีรูปร่างหน้าตาแบบนั้นแบบนี้พอกินเข้าไปในท้องมันก็ถ่ายออกมากลายเป็นดินไปหมดของมันมาจากดินทั้งนั้นเนี่ยแป้งก็มาจากดิน นมก็มาจากน้าเห็นไหอของต่างๆมันทํามาจากดินน้ำนมไฟทางนั้นแล้วพอเรามาผสมปรุงแต่งขึ้นมันก็เลยเป็นของต่างๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเวลามันพังมันก็แยกตัวกลับไปจากไปสู่ที่เดิมของมันร่นางกายก็เหมือนกันมาจากดินน้ำนมไฟพอเวลามันตายไปมันก็แยกกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ เห็นไหมคนตายหรืออะไรบ้างถ้าปล่อยไว้เฉยๆ เ, เดี๋ยวมันก็เน่าเปื่อยตอนต้นก็เย็นก่อนตอนต้นก็ไม่มีลมลมหมดก่อนลมไม่เข้ามีแต่ลมออกกินไงที่ระเหย อ, ออกมาตามร่างกายนี้ก็เป็นลมพอลมออกไฟก็ออกร่างกายก็เย็นแล้วทิ้งไว้ต่อไปน้ำก็ออก ต่อไปก็เหลือแต่ดินร่างกายก็แห้งกรอบแล้วก็ผุพังกายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยถ้าเราศึกษาอย่างใกล้ชิดว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา แล้วก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนไปทุกวันตอนเป็นเด็กก็ค่อยๆจเจริญเติบโตเท่าเล็กเท่าน้อยถ้าดูทุกวันจะไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงถ้าถ่ายรูปทุกสิปีดูมาเปรียบเทียบกันดูตอนที่คลอดออกมาถ่ายรูปไว้หนึ่งรูปแล้วสิปีต่อมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเปรียบเทียบกันดูเสว่าเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมนะ มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนช้ามากถ้าเราดูทุกวันนี้จะไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนทีละนิดเดียวทีละนิดหนึ่งแค่นี้แต่สิบปีนี่มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนอตัวเลื่อยคารเนตัวไส้เดือนถ้าดูมันเลื่อยคารรู้สึกว่ามันไม่เลื่อยไปไหนเลยถ้าเราไม่มาดูสักห้านาทีโอ้มันไปไกลแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันช้า มันจึงทําให้เราคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คือการศึกษาร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราศึกษาร่างกายเพื่อเราจะได้รู้ความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาหลงมายึดมาติดกับร่างกายมาทุกขกับร่างกายนั่นเองถ้าเรารู้ว่าร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่ไปฝืนมันรู้ว่ามันต้องแกร่รู้ว่ามันต้องเจ็บรู้ว่ามันต้องตาย เวลามันจะแกะ่เวลามันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันไปห้ามมันไม่ได้นะห้ามมันยังไงมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ไปห้ามแล้วมันทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สบายเห่นไหมเวลาเห็นหน้าเราเขียวหน่อยย่นหน่อยมีผมงอกขึ้นมาหน่อยนี่ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้มันแก่ อยากให้มันหนุ่มให้มันสาวไปเรื่อยๆอยากให้ผมมันดําไปเรื่อยๆแล้วใครทุกอะคนอยากอะทุกขร่างกายมันไม่ทุกอะร่างกายมันก็แก่ของมันไปจะห้ามมันยังไงมันก็มันก็ต้องแก่ไปตามเรื่องของมันแล้วพอเราจะมันจะตายก็ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้มันก็ตายหกไปต่อให้ไครวิเศษขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนมีพระพุทธรูปราคากี่ล้านลองมาปลุกคนตายให้ตื่นขึ้นมาเลยม่นไม่ไมตื่นหรอกไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายได้ไม่สามารถมาเปลี่ยนอนิจจังให้เป็นนิจจังได้ไม่สามารถเปลี่ยนให้ทุกขังให้เป็นสุขขังได้ไม่สามารถเปลี่ยนอนัตตาให้เป็นอัตตาได้ ร่างกายมันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่มีตัวตนเราไปเปลี่ยนมันเองเราไปว่ามันเป็นตัวเราของเราเองแล้วพอมันไม่เป็นเราก็เสียใจกันพอร่างกายกลายเป็นดินน้ำลมไฟก็ทุกข์กันกลัวกันหวาดกลัวกัน mm hmm. น, นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่เราสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองถ้าเราเข้าใจ คำแปลคำแปลมันก็บางทีฟังแล้วมันไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจพก็มีศัพท์หลายศัพท์ที่มันเราใช้ทับกันเราใช้ทับกันเราเลยงงพอพูดถึงเวทนาก็งงสัญญาก็งงสังขารก็งงวิญญาณก็งงรูปก็งงรูปนี้หมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยมันคือปัญหา แต่ถ้าอ่านภาษาอังกฤษแบบ น, นี้มันจะตรงไปตรงมามากกว่ามันจะแปลตรงตัวเลยรูปก็คือร่างกา ย, เ, ยเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันชัดเจนถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันก็จะเข้าใจ มันจะเห็นภาพเลยว่าของพวกนี้มันเป็นเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการ์อย่างหนึง่งความคิดความรู้สึกก็เป็นการปรากฏการ์อย่างหนึง่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคิดปั๊บแล้วก็หายไปคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดถึงคนนั้นแล้วก็ไปคิดถึงคนนี้ต่อแล้วก็เกิดความรู้สึกตามมา คิดถึงเพื่อนก็เกิดความดีใจคิดถึงศัตรูก็เกิดความโกอธขึ้นมามีอารมณ์ตามมาต่างๆนี่เราถ้าเรารู้แล้วว่าอารมณ์ต่างๆไม่ดีเกิดจากความคิดของเราเราก็มาแก้ที่ความคิดของเราก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีเสียก็หมดเรื่องพอไม่คิดถึงเรื่องไม่ดีความรู้สึกไม่ดีมันก็ไม่มีคิดแต่เรื่องที่ดีมันก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ดี แต่ปัญหาของเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีกลับไปหลงคิดเรื่องที่ไม่ดีว่าเปนดีซิเรื่องที่ดีกลับคิดว่าไม่ดีซิเนี่ยนี่คือปัญหาไปคิดเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจกันไอ้เรื่องที่สบายใจกลับไม่คิดกันเพราะกลับหลงคิดว่าไอ้เรื่องที่ไม่สบายใจกลับไม่ดีไอ้เรื่องที่ทาให้เราไม่สบายใจกลับไปคิดว่ามันดีเช่นเรื่องหาเงินนี่คิดว่ามันดีกัน ชอบหาเงินกันแล้วเกินหาแฟนกันเนี่ยดีพอได้มาแล้วเป็นไงสบายใจหรือไม่สบายใจทำไมมีปัญหากับเงินหรือเปล่ามีปัญหากับแฟนหรือเปล่าคิดไม่มีเงินดีกว่าคิดไม่มีแฟนดีกว่าอพอไม่มีเงินก็ไม่มีปัญหากับเงินอยู่แบบไม่มีเงินไปอยู่แบบไม่มีแฟนไปสบายกว่าเยอะแยะกับไม่เอากัน ชอบไปคิดในเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจเหมือนกอันนี้ต้องมีคนคอยสอนคอยบอกเดี๋ยวถ้าจะอ่านในพระไตปรปิฎกก็อาจจะต้องค้นคว้าหาแต่ถ้ามีคนที่สอนได้จะง่ายกว่าจะอธิบายให้ชัดเจนกว่าแต่ถ้าไปอ่านในพระไตปรปิฎกท่านก็บอกว่ารูปเป็ น, ปนทุกข์นะเสียงเป็นทุกข์นะกลิ่นรสเป็นทุกข์นะลาบยศสารเสริญเป็นทุกข์นะ ถาว่าทุกก็คือมันจะทําทให้เราไม่สบายใจแต่แลรากลับไม่เข้าใจมันจะทุกตรงไหนวะเวลาได้เงินมามันมีแต่สุขกันทั้งนั้นวันนี้หวยออกเนี่เดี๋ยวใครถูกออเดลี่วันนี้ดูถามว่าทุกหรือสุขกันก็ยิงงงสงสัยใหญ่พระพุทธเจ้าสอนผิดหรือเปล่าเนี่ยลาวยศรสรรเสริญความสุขทางตาหูจะมูงลิ้นกายมันจะเป็นทุกตรงไหนมีแต่ทุกคนอยากได้กันเวลาใครได้ก็สุขกันทั้งนั้น แปลผิดหรือเปล่าคําว่าทุกนี่มันน่าจะเป็นสุขหรือเปล่าแต่ถ้าเราอ่านต่อไปท่านบอกว่ามันทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมาได้มันไปได้มันมีได้มันหมดได้เอตอนได้แต่มันสุขแต่พอตอนมันหมดมันทุกไหมพอใช้เงินหมดแล้วเป็นเงินมีความสุขมาทีนี้ทุกแล้วสิจะหาเงินที่ไหนใช้ต่อออไม่ อันนี้มันต้องดูคำต่อไปที่มันทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันมีโอกาสที่จะหมดได้ที่จะจากเราได้เวลามันจากเราไปนี่มันทำให้เราทุกข์กันเวลาได้ลาบมาดีใจพอเสียลาบไปก็เสียใจได้ยศได้ตำแหน่งก็ดีใจเลี้ยงฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนพอถูกปลดไปก็เสียอกเสียใจ บางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีอนั่นเห็นไหมนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เราไม่เข้าใจกันว่าท่านว่าทุกข์อย่างไรถ้าอ่านแล้วคิดไม่เป็นนึกภาพไม่ออกนี่ไม่เข้าใจคําว่านิจังอา น, นิจังคนบางคนมานั่งฟังอยู่ต้องหลายเดือนถามว่าเข้าใจอยังไงยังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงมันชัดๆอยู่เนี่ย มีเกิดมีดับนี่เรียกว่านิจังมีเจริญมีเสื่อมนี่เรียกว่านิจังไม่ใช่พูดแค่นี้ยังไม่เข้าใจไม่รู้จะว่ายัางไงแต่คนที่เข้าใจนี่ก็จะเขารู้ว่าทุกข์เพราะตอนที่มันไม่มีแล้วมันหมดแล้วพอเงินหมดก็ทุกข์พอเครื่องไอโฟนเสียก็ทุกข์แล้วเนี่ยเกิดเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ทุกวันเสียนี่สุขหรือทุกข์อะ ทีนต้องวิ่งหาเครื่องใหม่แล้วนี่นะนี่คือการศึกษาธรรมะด้วยตนเองจะค่อนข้างจะยากลําบากไปศึกษากับครูอาจารย์ดีกว่าแต่ก็ปัญหาอกีกไปเจอครูอาจารย์ปลอมก็ซวยอีกสอนผิดอีกสอนให้หลงอีกแทนที่จะสอนให้ไม่หลงกับธรรมสอนให้หลงอีกก็ต้องต้องฉลาดในระดับหนึ่ง ที่จะสามารถเปรีดดยบเทียบคําสอนของครูของอาจารย์กับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเหมือนกันหรือเปล่าเห็นการจะไปหาครูอาจารย์นี้บางทีก็ต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างแล้วควรูอาจารย์สอนเหมือนกันหรือเปล่าแล้วสามารถมาอธิบายขยายความคําสอนของพระพุทธเจ้าให้กระจายให้กระจ่างขึ้นได้หรือเปล่า ถ้าท่านสามารถทำได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราได้สอนเราได้เพราะเราไม่เข้าใจท่านทำให้เราเข้าใจได้เราหลงท่านทำให้เราหายหลงได้อันนี้เรียกว่าเป็นอาจารย์ของเราได้ถ้าไปหาอาจารย์องค์อื่นสอนยังไงก็ยังไม่เข้าใจยังหลงอยู่ยังไม่เข้าใจอยู่ก็แสดงว่าท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ อันนี้คือเรื่องของการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตอนนี้เหลือสององค์เหลือพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกกับพระอริยสง์สาวกก็บางทีต้องหาทั้งสองอย่างเพราะเวลาที่เราไปหาพระอริยสงฆ์เราจะได้รู้ว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่ถ้าแม้ถ้าท่านสอนขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็น่าสงสัยแล้วว่าท่านไม่น่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ เพราะว่าพระรีเอลสงทุกรูปไม่สอนขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราที่พวกเราสามารถทำกันได้ถ้าเรายังมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันและมีความเชื่อมีความมั่นใจ ในคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราก็จะสามารถนาเอาคาสอนของท่านมาพัฒนามาปรับปรุงให้จิตใจของเราให้กายจากภาพจากปุตุชนให้กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ก็อยู่ที่ตรงนี้พวกเราทุกคนมีสิทธิ์มีจิตมีใจที่มีความสามารถมีสมรรถภาพเหมือนกันทุกคนขอให้มี ความเพียรพยายามความเชื่อมั่นในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทะานั้นเพื่อมีศรัทธามีวิริยะแล้วมันก็จะพาเราไปสู่สติสมาธิปัญญาต่อไปอการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสักลัง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 ราโสยถาสัพพิติโยเววาจจันตุสัพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวัตนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติ อายุวันโนสุขังพาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook 2, 23, เฟซบุ๊กสามร้ อ, 400, อยเก้าสิบสองยูทูบยี่สิบสามวิทยุออนไลน์ยี่สิบหกรับฟังบนขาสา1สิบเอ็ดรวมแปด้อยเจ็ดสิบสองค่ะวันนี้นิวไฮทำไมยู u b e เข้ามาเยอะไงนะ สี่ร้อยกว่าครั้งแรกนะตอนนี้มากกว่าเฟซบ o ๊กแล้วเมื่อก่อน facebook จะเยอะเพราะ youtube มาทีหลัง youtube ตอนต้นก็เริ่มทีละสองสามคนสี่ห้าคนสิบคนยี่สิบคนเฟซบุ๊กนี่ตอนต้นก็สี่ร้อยกว่าแล้วก็ลดลงมาเหลือสามร้อยกว่าบ้างสองร้อยกว่าบ้างตอนนี้ก็กลับขึ้นมาเกือบสนะี่ร้อย YouTube ยูทูบก็ขึ้นมาเยอะวันนี้นิวไฮดาวคุ้นก็เขียวเต็มกระดานพระอาจารย์คะคุณวิชัยบอกว่าช่วยอธิบายภาษาอังกฤษเมื่อกี้ให้หน่อยค่ะอธิบายไม่ได้รภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ภาษาไทยนะ <c oughs> ตายเลเราพูดไม่ต้องพูดเลยคนไทยก็ให้ภาษาคนต่างชาติก็ให้ภาษาอธิบายภาษาอังกฤ ษ, กฤษคนไทยให้ภาษาไทย ก็เมื่อกี้อธิบายภาษาไทยมาต้องชั่วโมงแล้วเหมือนกันก็พูดเรื่องเดียวกันแหละก็ต้องแบ่งกันนะแบ่งให้ไทยบ้างแบ่งให้ต่างชาติบ้างย่างคนคนพูดเนี่ยเหนื่อยตายไม่ใช่อะไรหรอกถามได้ขออนุญาตเรียนถามะคะว่าการศึกพิจารณาลมอะค่ะกับ การที่เราลืมตากับหลับตาเนี่ยให้ผลดีต่างกันยังไงคะอ๋อถ้าเรานั่งสมาธิเราควรจะหลับตาเพราะถ้าลืมตาเจตใจเราจะออกไปทางตามันจะไม่เข้าข้างในการนั่งสมาธิเพื่อดึงใจให้เข้าข้างในดึงใจให้ออกจากตาหูจมูกลิ้วกายให้เข้าข้างในด้วยการอาศัยการเฝ้าดูลมหายใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าลืมตาเดี๋ยวเห็นคนเดินไปเดินมาก็จะคิดคนนั้นวิาพากวิจาร์สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ <c oughs> งั้นถ้าจะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบให้เข้าข้างในต้องหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเพราะการดูลมไม่ต้องใช้ตาดูใช้ความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยที่ไม่ต้องใช้ตาดูครับครับครับ คำถามจากคุณมีนถ้าคนที่ทำบุญเพื่อหวังอานิสงค์ของบุญมากๆเท่าที่จะมากบ้าได้โดยเฉพาะที่วัดหรือด้วยความศรัท ธ, ธากับพระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งแต่ไม่เคยสนใจช่วยเหลือคนทั่วไปที่ตกทุกข์ได้ยากแบบนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับและเขาจะได้บุญหรือเปล่าครับก็ เ, เขาไม่เข้าใจหลักหลักการของบุญอย่างแท้จริง ก็ยังไม่ไม่เข้าใจว่าทำบุญนี่ไม่จาเป็นจะต้องทำกับพระหรือทำกับคนที่เราชอบเพียงอย่างเดียวเราสามารถทำกับคนที่เราไม่ชอบยิ่งได้บุญเยอะใหญ่ยิ่งทำกับศัตรูได้นี่เพราะถ้าเราทำกับศัตรูได้เราก็จะได้ไม่มีศัตรูอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจของผู้ศึกษาปฏิบัติซึ่งอาจยังจะไม่เข้าใจอย่างเต็มที่จะเรียกว่ามิจฉาก็ไม่เิง แต่ว่ายังไม่สัมมาทิฏฐิอย่างเต็มร้อยอยังเลือกทาอยู่เลือกทากับคนที่ตนเองชอบทำเรือรักแล้เครัรลบือศรัทธาแต่คนอื่นนี่ไม่สนใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นบุญคถามข้ออต่อไปค่ะ ตอนนี้ยมเข้าใจว่าไม่มีเราอยู่ในขันห้ารูปนามแต่ไม่แน่ใจว่ามีเราผู้รู้อยู่นอกขันห้าหรือในโลกทิพย์หรือที่ไหนหรือไม่ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายครับออนี่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แยกตัวผู้รู้ออกจากขันห้าถ้าแยกได้แล้วก็จะรู้ว่าว่า ตัวผูู้นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในเฉะั้นต้องต้องแยกด้วยสมาธิแยกด้วยปัญญาอันนี้ปัญญาที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นปัญญาระดับต้นคือระดับสุตตะมัจญปัญญากับจินตามัจญาปัญญาเป็นเพียงความคิดอยู่ต้องแยกจริงๆวิธีแยกจริงๆก็ต้องทิ้งร่างกายให้มันมันจะอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ทิ้งมันได้ เช่นต้องไปหาเสือหาผีแล้วเวลาเสือผีมาก็บงังคับทิ้ให้ร่างกายมันอยู่ของมันส่วนใจก็เข้าสมาธิไปแยกกันออกถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะรู้ว่าอ๋อร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันร่างกายอยู่ในโลกกะาธาตุส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิพย์ ขณะนั่งสมาธิเราเกิดแสงวูบวบวับว บ, บเกิดอะไรครับและผมควรทำอย่างไรต่อไปครับอ๋อมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปสนใจ เมือนขับรถกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านตามทางมีคนขายของมัง่งมีงานมีลิเกมีนำวงอะไรก็แล้วแต่เราจะกลับบ้านเราก็ไม่ต้องไปสนใจขับรถไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปให้ความสำคัญถ้าไปจอดแวดเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงบ้านนั่งสมาธิเราต้องการไปบ้านคือความสงบช่วงที่นั่งนี้ใหม่ๆมันจะมีอะไรแปลกปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้รับเห็นก็อย่าไปสนใจ ให้เราพุโทโธไปให้เราดูลมไปอย่าไปสนใจให้อยู่ในรถขับรถไปเรื่อยๆดูลมหรือพุโทโธไปนี้เท่ากับขับรถอยู่อย่าจอดอย่าหยุดพุดโทโธอย่าหยุดดูลมแล้วมาดูไว้ไอ้ที่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาถ้ามาทำอย่างนั้นก็ไปไม่ถึงไหนเพราะจอดรถแล้วคำถามจากคุณโย ผมฟังเทศ พ, พระอาจารย์และปฏิบัติตามนําเงินที่จะไปเที่ยวต่างประเทศในแต่ละปีนํามาทำทานแทนที่จะนําไปเที่ยวปรากฏผลว่ายิ่งทําให้ยิ่งมีความสุขเงินไม่พร่องเลยครับมีความสุขกว่าไปเที่ยวตามที่พระอาจารย์สั่งสอนคําถามคือเราสามารถสร้างดวงชะตาของตัวเองให้ดวงดีได้หรือไม่ต้องทําอย่างไรจึงจะแก้ดวงหนีกรรมชั่วที่เคยทําได้ครับก็เนี่แหละทำความดีไปเรื่อยๆความดีมันจะทําให้ ความชั่วของเรานี้อาจจะตามไม่ทันถ้าเราทำความดีไว้มากกว่าทำตามความชั่วที่เราทำมาในอดีตความดีที่เราทำนี้มันจะเป็นเหมือนเกราะอย่างหนึ่งถ้ามันมามันก็ไม่ทําให้เราสะเทือนใจเราจะสามารถรับกับวิบากของกรรมชั่วได้ถ้าเรามีความดีถ้าเราไม่มีความดีนี้มันจะไม่มีเกราะ มันจะทำให้ใจเราทุกข์ทรมานมากยิ่งทำดีเท่าไหร่ทำดีระดับพระอาหารหันต์ได้ยิ่งดีพระเหมือนกับองคุริมานทำชั่วมาฆ้าคนต้องเก้า้อยเก้าสิบ้าคนพอมาพบกับพระพุทธเจ้าคนที่หนึ่งพันก็ถูกสอนให้เปลี่ยนใจให้กลับมาทำความดีก็เลยมาฆ่ากิเลสแทนพอฆ่ากิเลสตายหมดใจก็เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมา กรรมที่ได้ทำไว้ฆ่าคน999คนก็จะตามมาไม่ทันเพราะเวลาท่านตายไปท่านก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปหรือถ้ายัางมีชีวิตอยู่ถ้ามีกรรมเช่นท่านไปตามหมู่บ้านที่เขาจาได้ว่าคนนี้เคยฆ่าคนนี้เขาก็เอาก้อนหินเว่งใส่เว่งไล่ท่านก็เฉยไม่เดือดร้อนอะไรกับการถูกกระทาเพราะจิตใจของท่านนี้ไม่หวั่นไหว ร่างกายของท่านนี้ท่านไม่ถือว่าเป็นร่างกายของท่านแล้วท่านปล่อยวางท่านพร้อมให้มันตายได้ทุกเวลานาทีนี่คือการทำความดีต้องเพิ่มจากบุญจากการทำทานไปสู่การรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็เพิ่มการฝึกหัดจิตใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วทีนี้เราจะมีบุญที่จะคุมครองจิตใจของเรา ให้ป้องกันหรือไม่ให้วิบากกรรมต่างๆเข้ามาทําให้ใจเราหวั่นไหวได้แต่เราห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้บาปกรรมที่เราทําแล้วเมื่อถึงเวลามันจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อถึงเวลามันจะออกดอกออกผลเราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากให้มันออกดอกออกผลก็อย่าไปปลูกต้นไม้ถ้าไม่อยากให้วิบากกรรม ออกดอกออกผลก็อย่าไปทำกรรมอย่าไปทำบาปนะแต่ถ้าทำไปแล้วก็ต้องรีบมาทำบุญเพื่อที่จะมารองรับวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป คำถามจากคุณทีเคกระผมชอบผิดสัจจะของตัวเองตั้งสัจจะไว้ว่าจะเลิกดื่มเหล้าแต่ก็ผิดสัจจะทุกทีกระผมควรทำอย่างไรดีครับที่จะมีกำลังใจเลิกดื่มเหล้าแบบเด็ดขาดครับอ๋อก็ต้องลงโทษเวลาเราทำผิดสัญญาใช่ไหมเวลาทำสัญญาเขาก็ต้องมีกฎบทลงโทษถ้าทำผิดสัญญาก็ลิบเงินหรืออะไรทักอย่าง ทำอะไรที่เราลงโทษตัวเราเองได้กลัวถ้าเราสัดจักก็ไม่มีลงโทษตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงต้องมีการมาตรการลงโทษถ้ากินเหล้าก็ห้ามกินข้าวก็แล้วให้เลือกเอามึงจะกินอะไรวันนี้มึงกินเหล้าก็อยากกินข้าวอดูซิว่ามันอันไหนจะเด็ดกว่ากันอใจต้องเด็ดนะถ้าจะต้องการเลิอกอะไรที่ไม่ดีนี้ถ้าอ่อนแอเนี่ยไม่มีทางตั้งไปให้ดีขนาดไหน มั่นใจขนาดไหนพอถึงเวลาก็ล้มละเลละนาศไปนั้นมันต้องมีมีอะไรมาคล้ายๆว่ากันมันไหมต้องมีบทลงโทษบทลงโทษเอาเลือกเอาถ้ามึงจะกินเหล้าวันนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวถ้ามึงจะกินข้าวก็อยากกินเหล้ า, าให้มันเลือกเอาอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะเลิกได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ เวลานั่งสมาธิและพอนั่งไปเหมือนเห็นรูปตัวเองเห็นเอริยบทัวเองในการนั่งเห็นกายตัวเองแต่ลมหายใจก็อยู่กับพุทโธตลอดจนรู้สึกวูบเหมือนตกเหวตกจากที่สูงแต่มีพุทโธอยู่ตลอดจนออกจากสมาธิดูนาฬิกาว่านั่งไปสามชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนแค่สิบนาทีกับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเกิดลักษณะนี้เรียกว่าอะไรครับก็ไม่รู้จะเรียกอะไรก็มันเป็นอย่างนั้นเนี่ย คณก็นั่งต่อไปสิ่งที่คนควรจะได้คือความสงบความสุขความเป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นสมาธิอาจจะเป็นการเคิมหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้นั่งนี้ให้จิตสงบให้สักแต่ว่ารู้ ใ, ให้มีความสุขให้มีอุเบกขาไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถึงจะถือว่าเป็นสมาธิ คำถามจากคุณตุ้มค่ะเวลาตอนเช้าไปใส่บาตรแล้วเจอพระที่บินทบาทแต่ท่านยืนอยู่กับที่ไม่เดินยืนอยู่ใกล้กับแม่ค้าขายของแล้วเราใส่บาตรแต่เรากลับมาคิดว่าใส่บาตรไปแล้วจะได้บุญหรือเปล่าครับคนให้ได้บุญแล้วแต่คนรับนี้อาจจะไม่ทำหน้าที่ของตนที่ถูกต้องเพราะการบิทบาทนี้เพื่อการหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เมื่อได้อาหารพอเพียงก็ควรจะกลับวัดถ้ายืนเนี่นั้นเพื่อทําการค้ากับแม่ค้านี่ก็เป็นการทําผิดหน้าที่คือมาหาเงินแทนเอาเอาอาหารที่ได้ที่เขาใส่บาทมาเอาไปขายแม่ค้าแม่ค้าก็ให้เงินมาแล้วแม่ค้าก็อ า, อาหารนี้ไปขายคนอื่นแล้วคนอื่นก็มาใส่บาทเขาเรียกวเวียนเทียนอถ้าทําถ้าบินฑบาตเพื่อหาเงินหาทองก็ผิดผิด ผิดหลักของการบิณฑบาตการบิณฑบาตพระเจ้าสอนให้เลี้ยงชีพเพื่อมาเอาอาหารมาดับความหิวมารักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติเพื่อที่จะได้เอาไปปฏิบัติธรรมต่อไปเอาน้ามาทาอย่างนี้แล้วก็มามาเพื่อที่จะมาหาเงินหาทองก็ก็ผิดหน้าที่ถ้าคนไปส่งเสริมก็ถ้าไปใส่บาตรกับท่านแบบนี้ก็เหมือนกับส่งเสริมให้ท่านทาผิดหน้าที่ ก็ไปเลือกพ้าที่ท่านไม่ยืนอยู่กับข้างๆแม่ค้าใส่กับผ้าที่เวียนไปเวียนมาแต่บางทีบางทีมันไปที่อื่นไม่ได้นะเพราะว่าในเมืองเดียวนี้ตามบ้านเขาไม่มีคนใส่บาตรกันเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าตื่นเช้าก็ออกไปทํางานถ้าอยากจะใส่บาตรเขจะไปที่ตลาดที่มีแม่ค้าทํากับข้าวขายเพราะเราเคยบินทบาทในกรุงเทพมาก่อน ไปเคยไปพักที่วัดบอนเดินไปตามบ้านนี่ไ ม, ม่บ้านปิดบทนะไม่มีใครเขาออกมาใส่บาตรก็เลยต้องไปเดินที่แถวตลาดเดินก็เลยต้องเดินหลายรอบหนย่งเข้ามารอบแรกยังไม่พอก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งเหมือนเครื่องบินหาที่จอดเนี้ยวนไปแต่พอได้อาหารคิดว่าพอเพียงแล้วก็ไปละกลับวัดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้คนใส่บาตรก็จะไปใส่ในตลาดกัน น้อยคนที่จะเตรียมอาหารที่บ้านเตรียมอะไรไว้มีบ้างแต่น้อยแล้วบางทีก็เป็นขาประจํากันพวกคนที่เข้าใส่ที่บ้านเนียถ้าไม่ได้เป็นพ้าประจำํำเขาเขาไม่ออกมาบางทีผ้าไปถึงต้องกดกิ่งบอกเ้ารู้ว่าขาประจํามาแล้วเขาถึงจะออกมาตอนที่เราไปอยู่วัดโบวานใหม่ๆนี้ต้องอาศัยผ้าเก่าตามเข้าไปตาม เพราะไม่รู้แหล่งที่จะมีอาหารไงถ้าเดินไปเองนี่บางทีมันไปเดินไปในแหล่งที่ไม่มีใครใส่เลชงแรกๆไปลาไปนี่ทำขอเกาะไปกับพระที่เขาอ ย, อยู่ก่อนคาถามจากผู้มประสงค์ออกนามค่ะพระโสดาบาันและพระสะกิทาคามีสมาธิเสื่อมได้ไหมคะไม่เสื่อมลว ปาญยาบบกนนี้ได้สมาธิที่ไม่เสื่อมแล้วเพราะว่าท่านมีปัญญาคอยรักษาเวลาออกจากสมาธิมาท่านจะคอยกำจัดความอยากต่างๆมีสติมีปัญญาคอยคุ้มครองตลอดเวลา คำถามจากคุณนัชนันสัญญามันไปสังขารให้ไปคิดแค้นเคืองต่อเรื่องไม่ดีที่ได้รับมาจากครูอาจารย์ที่ทําให้ดีกับเราจะยางใจอย่างไรให้ลืมได้พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีที่ท่านสอนมาแต่เวลาเหตุเกิดท่านไม่เป็นเหมือนที่ท่านสอนก็มองว่ามันเป็นการไปพบกับคนผิดก็แล้วกันพบกับเป็นการ เหมืนซื้อสินค้าที่มันไม่ไม่ดีมาก็โยนทิ้งไปเท่านั้นเอง ซ, อ ซ, อซื้อเครื่องโทรศัพท์มาแล้วใช้ไม่ได้ใช้แบบใช้แล้วก็เสียนือใช้แล้วก็ถ่ายภาพบูดเบี้ยวคนปากเบี้ยวอะไรงนี้ก็อย่าไปใช้มันก็นแล้วกันคิดว่ายอมอเป็นบทเรียนว่าเราซื้อยี่ห้อนี้ไม่ดีต่อไปเราอย่าไปซื้อยี่ห้อนี้กก็แล้วกันอย่าไปกดแค้นกดเคืองกัน ถ้าจะโกดก็โกดตัวเราโง่เองที่ไปเลือกซื้อเองไม่มีใครเข้ามาบังคับเราไปซื้อใช่ไหมนี่เราอาจจะโลภหรืออยากเสียดายเงินเขาว่ายี่ห้อนี้ถูกดีค่ะยอมซื้อของถูกแล้วพอพอได้มาแล้วก็ไม่ได้ดังใจหมาย ก็ถือว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราเองก็เอามาเป็นบทเรียนสอนเราว่าต่อไปก่อนที่เราจะไปศึกษากับใครก็ต้องค้นคว้าดูหาอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นครูจริงครูที่ดีถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งเข้าไปเรียนถามคนได้เพราะทุกอย่างมันเดี๋ยวนี้ยลูกโซเชียลใส่ Google เข้าไปก็ได้อาจารย์คงนี้เป็นยังไง เดี๋ยวมีความเห็นออกมาเป็นร้อยนะคําำถามจากคุณพรมพรเวลาไปวัดรักษาศีลแปดจะเลือกวัดป่าที่มีคนน้อยจะได้ความสงบเร็วจะไม่ไปวัดที่มีคนมากจัดงานครบรอบต่างๆถึงแม้วัดนั้นจะเคยมีภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วแต่ท่านละสังขารไปแล้วแบบนี้เป็นการปฏิบัติถูกต้องไหมคะถ้าเราต้องการความสงบก็ถูกต้อง แต่ถ้าคนเขายัางไม่ต้องการความสงบเขาอยากไปทําบุญเขาก็ยังอยากจะไปทําบุญกับวัดที่เขามีศรัทธามีความนับถืออยู่ก็อย่างน้อยก็มีความมั่นใจว่าเป็นวัดที่ที่ดีแต่สําหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัตินี้อาจจะไม่เหมาะซะแล้วเพราะว่าถ้ามีแต่พิธีกรรมมีแต่มีแต่ความมีแต่เรื่องราวต่างๆมีคนมาก ก็ไม่ไม่เอื้อต่อการทําใจให้สงบก็ต้องไปหาวัดที่เงียบสงบค่ะคำถามจากคุณกำพลการนั่งสมาธิจะช่วยแก้โรคซึมเศร้าได้ไหมครับอ๋อถ้านั่งได้โรคซึมเศร้าก็หายเลยแหละไม่จะแก่ที่ซึมเศร้าเขาไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ดังใจก็ซึมเศร้า แต่ถ้าทำใจให้สงบได้ก็จะหยุดความอยากได้นู่นได้นี่ควา ม, มซึมเศร้าก็จะหายไปเปัญหาคือจะไม่มีสติที่จะมาหยุดความคิดเหล่านี้ได้หยุดความอยากได้เพราะว่ามันทอลองไปคิดแต่ทางนั้นนะั่นมันก็เหมือนเหมือนกับรถวิ่งลงเขาถ้าไม่มีเบรกดีๆจริงๆหยุดมันไม่ได้ยังก็รักษาได้แต่ แต่จะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าทำสมาธิได้ก็รักษาโรคต่างๆได้เยอะโรคติดยาเสพติดโรคติดอะไรนี่ทิ้งหมดเลยติดแฟนติดเหล้าติดเที่ยวติดเงินติดทองติดอะไรร้อยแปดทัญพกรณเลิกได้หมดติดการเมืองติดการบ้านติดอะไรนี่ถ้าได้สมาธิแล้วมันไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบนั่นเอง คำถามจากคุณนุชขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําเกี่ยวกับการทําบุญครบรอบหนึ่งปีของการจากไปของบรรดาโยมด้วยค่ะนอกจากการทําบุญอุทิศตามปกติแล้วเราควรนิมนต์พระมาประกอบพิธีบังสกุลให้แก่ผู้ตายมารดาของโยมตามประเพณีอีกหรือไม่คะถ้าเราต้องการทําตามประเพณีก็ทําไปถ้าเราคิดว่าการทําบุญก็คือการเสียสละ แบ่งปันเข้าของเงินทองให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ต้องทำไปทำที่ไหนกับใครก็ได้เงินก้อนเดียวกันจะไปนิมนต์พระมาชักผ้าหรือไม่ชักผ้าหรือยาวเงินนี้ไปถวายวัดเลยก็เหมือนกันเพราะบุญที่เราทำได้เท่ากันบุญบุญเกิดจากการเสียสละของเรา แล้วพอเราเสียสละแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้ไม่ว่าจะร้อยวันหรือสามวันหรือเจ็ดวันทําวันไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้ร้อยวันร้อยวันเดี๋ยวคนรอมันอาจจะรอไม่ไหวนะ <c oughs> คนรจะทําทุกวันจะดีกว่าถ้าเรารักแม่จริงโหวกแม่จริงก็ต้องทําทุกวันสิไม่มารอให้แม่ร้อยวันค่อยมารับสักทีหนึ่งคําถามจากคุณปาล์ม ตอนนั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบเหลือแต่ลมหายใจอยู่ๆความคิดก็ผุดขึ้นมาเองและดับหายไปเองกลายเป็นความว่างโดยที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยจึงสงสัยคิดมาตลอดว่าเราคือคนควบคุมความคิดจะนั่งไปทําอะไรแต่ทําไมจึงมาพบว่าบางทีเราไม่สามารถควบคุมความคิดได้เหมือนเป็นแค่ผู้ดูเหมือนความคิด การเป็นอนิจจังและอนัตตาตกลงเราควบคุมความคิดได้หรือไม่คะก็ได้บางเวลาถ้ามีสติก็หยุดมันได้ถ้าไม่มีสติมันก็หยุดไปได้สติบางทีเราก็บางทีก็หยุดจะควบคุมมันตลอดเวลามันก็มันก็ไม่เป็นธรรมชาติแต่สรุปก็คือเราควบคุมมัน ไ, ไ, ไม่ได้ตลอดเวลา เราควบคุมได้ในเวลาที่จำเป็นจะต้องควบคุมมันเช่นเวลามันพยศมันคิดในเรื่องที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้หรือเราเบนเปลี่ยนให้มันไปคิดในเรื่องที่ดีก็ได้แทนแต่เราไม่สามารถที่จะไปกำจัดมันไม่ให้มีความคิดในใจอะไันกำจัดไม่ได้มันต้องโผล่มาไม่ช้าก็เร็วแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมดูแลให้มันอยู่ในกรอบ ที่ไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราหรือแก่ผู้อื่นได้อันนี้เราทำได้ คำถามสักคุณวิชัยกราบียนถามผ้าอาจารย์มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าการเดินจงกรมเป็นการทําสมาธิและการทําสติที่จังหวะมือก็เป็นการทําสมาธิแต่พี่อีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นการทําสมาธิเพียงแต่เป็นการทําสติเท่านั้นอยากให้ผ้าอาจารย์ช่วยอธิบายค่ะควาจริงการกระทําต่างๆนี่เรียกว่าสติการที่เรามี ความรู้สึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรียกว่าเป็นการเจริญสติ ร, รู้สึกอยู่กับการเดินรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเหานี้เรียกว่าสติมันอนาปนาสติดูลมหายใจเข้าออกกายะกะตาสติรู้ ร, รู้สึกกับการเดินไปเดินมาของร่างกายเรียกว่ากายะกตาสติเราเลอกถึงพุทโธเรียกว่าพุทธานุสติมันสติทั้งนั้นคาว่าสมาธินี่คือผลที่ได้จากสติพอเรามีสติแล้วเรานั่งเฉยๆได้ทันใจให้นิ่งสงบถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิก็มีสามแบบคณิกาสมาธิอปปนาสมาธิอุปจารสมาธิ คณิกะก่าอคณิกากัปปนาสมาธินี้เหมือนกันต่างกันตรงที่คณิกะแป๊บเดียวอัปปนายาวคือสงบนานส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษคือหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิแล้วจิตไม่ยอมอยู่เฉยๆจิตออกไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เราก็เรียกว่าอุปจารสมาธิเช่นไป พบกับเทวดาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับใครที่ยังอยู่ในโลกทิพย์อยู่นี่ก็สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้หรือมีอภิน ญ, ญามีตาทิพยหูทิพย์ระลึกชาติได้อะไรทํานองนี้ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิแต่ที่เขาแปลกันทั่วไปเขาแปลผิดเขาว่าอุปจาระคือกําลังจะเข้าอัปปนาแต่ความจริง ตามหลักปฏิบัติมันเข้าอัปปนาแล้วนัดถึงจะออกไปทางอุปจาระถ้ายังไม่ผ่านอัปปนามันยังเป็นอุปจาระไม่ได้มันต้องผ่านอผ่านอัปปนาสมาธิจิตต้องสงบนิ่งก่อนแต่มันไม่มันไม่มันเป็นจิตที่เขาเรียกว่าจิตผ่านโผล่หรือจิตที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆพอ n งสงบแล้วก็ออกไปรับรู้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดี เราต้องการหยุดมันเรามีสติเราหยุดมันได้คนที่มีอัปปนานี้พอรู้ว่าจิตจะไปทางอุปจาระรู้ว่ามันไม่เป็นทางสู่วิปัสสนาก็หยุดมันเพราะถ้าปล่อยให้ออกไปทางอุปจาระสมาธิมันจะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันนอนหลับฝันเวลาตื่นขึ้นมามันจะเหนื่อยแตถ้านอนหลับแบบไม่ฝันนี่มันจะมีกาลังสดชื่นเบิก บ, บานอิ่ม ดนนการนั่งสมาธินี่เราต้องการให้จิตมันอิ่มเพื่อจะได้มีกำลังไปสู้กับกิเลสตัณหาด้วยปัญญาต่อไปถ้าออกไปทางอุปจาระสมาธิจะไม่มีอุเบกขาจะไม่มีความอิ่มออกจากสมาธินั่งเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสพอกิเลสมาก็ยกธงขาวยอมแพ้ทันทีแต่ถ้ามีมีอปปนาสมาธิจะมีอุเบกขา พอกิเลสมาชวนมาท้าทายก็เฉยได้พอมีอุเบกขาสู้กับมันแล้วยิ่งถ้ามีปัญญาชี้บอกว่ามันไม่มันเป็นทุกข์ก็จะยิ่งจะไม่ไปตามกิเลสทันทีเนีนี่คือสมาธิมีสามแบบจะเข้าถึงสมาธิเหล่านั้นได้เหล่านี้ได้ต้องมีสติก่อน เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราต้องมีสติคอยควบคุมใจอย่าให้มันไปคิดด้วยเปลื่อยให้มันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลวงพ่อเทียนก็บอกให้อยู่กับ น, นิ้วอูดูดนะดูนิ้วไปแตน่นี่มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะเราไม่ได้มานั่งดูนิ้วทั้งวันเนี่ย เราต้องทํางานเราต้องเดินไปเดินมาทํางานทําอะไรทําตามพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวการทํางานต่างๆของร่างกายกําลังรับประทานก็ให้มีสติอยู่การรับประทานกําลังอาบน้ําก็ให้มีสติอยู่การอาบน้ำํำแล้วใจจะได้ไม่ลอยไปลอยมาพอนั่งสมาธิมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เป็นสมาธิได้ พอใจนะสติกับสมาธินี่เป็นคําเนี่ยปัญหาภาษาไทยกันเนี่ยเราเอาคํามสมาธิมาใช้แทนสติกันวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยว่าไปนั่นควนจริงว่าแสดงความจริงความหมายคือไม่มีสติอยู่กับงานเลยใจคิดวุ่นลุย้ยเปื่อยคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้อไม่ใช่สมาธิญาติโยมนี้ไม่มีสมาธิกัน คนที่ได้สมาธิอัปปนานี้น้อยมากยากมากขนาดเป็นพระยังไม่ค่อยมีกันเลยแล้วยาโยมนี้ไม่มีเวลามาฝึกสติไม่มีเวลานั่งสมาธิจะมีสมาธิกันนี่น้อยมากน้อยยิ่งกว่าพระอีกแต่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีบางคนก็มีบารมีเก่ามาคอยฝึกมาแล้วแต่ชาตินี้ยังไม่มีโอกาสไปทำต่อแต่มีของเก่าอยู่เหมือนพระพุทธเจ้านี่ท่านมีของเก่าอยู่ท่านไม่มีเวลาไปฝึกต่อตอนนั้นท่านเป็นเด็กท่านว่าท่านอยู่คนเดียวธรรมดาจะมีบริวารคอยล้อมห้อมล้อมคอยรับใช้คอยอะไรอยู่พอดีวันนั้นเขามีงานไม่มีคน พอไปเขเลยต้องไปช่วยงานกันปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ที่โคนไม้ใต้ล่มไม้คนเดียวพอไม่มีใครมาอยู่รอบข้างท่านใจที่เคยผูกพันกับคนนั้นคนนี้ก็เลยหดเข้าไปข้างในโดยอัตโนมัติท่านก็เล่าตอนนั้นรู้สึกมีความสุขอย่างมากไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มา ก, ก่อนเลยอันนี้มันไปอัตโนมัติสมาธิครับถ้าเคยมีมาแล้วถ้ามีเหตุการณ์ที่จะ ที่เอื้อต่อการให้จิตเข้าสู่ความสงบมันก็จะเข้าสู่ความสงบของมันเองได้ที่เรียกว่ากายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกเนี่ยกายวิเวกก็คืออยู่คนเดียวไม่มีอะไรมาห้อมร้อง <c oughs> พอไม่มีอะไรมาห้อมร้องไม่มีอะไรดึงให้เราออกอยู่ข้างนอกมันก็จะเข้าข้างในเพราะใจที่มันได้สมาธิแล้วมันอยากอยากจะเข้าข้างในมากกว่าจะออกข้างนอก <c oughs> แะที่มันออกข้างนอกเพราะมีเหตุการณ์บังคับให้มันออก